39. อาหุนทริกะวัตถุว่าด้วยทิศคับแคบ 102. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชคือเพียงแห่งเดียวทั้งฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามพลธนาว่าทิศทั้งหลายคับแคบมืดมนสำหรับพวกพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรพระสมณะเชื้อสาย พระศักยบุตรเหล่านี้จึงมองไม่เห็นทิศทางพิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประนามโพนทานาจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งกับพระอานุนว่าอา น, นุ์เธอจงไปถอดดานแจ้งพิกษุทั้งหลายในบริเวณวิหารว่าอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์จะเสด็จจาริกไปยัง ทักขีนาคิรีชนบทท่านผู้ใดมีความประสงค์ท่านผู้นั้นจงมาท่านพระนนทูนรับสนองพระพุทธบัญชาแล้วจึงถอดดานแจ้งภิกษุทั้งหลายในบริเวณวิหารว่าอาวโุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์จะเสด็จจาริกไปยังทักขีนาคิรีชนบทท่านผู้ใดมีความประสงค์ท่านผู้นั้นจงมาภิกษุทั้งหลายเรียนชี้แจงว่าท่านพระนนท พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติให้ภิกษุถือนิสัยอยู่สิบพรรษาและให้ภิกษุมีพรรษาครบสิบให้นิสัยได้พวกผมจะต้องไปในทักคินาคิริีชนบทนั้นก็ต้องถือนิสัยพักอยู่เพียงเล็กน้อยก็ต้องกลับมาอีกและต้องถือนิสัยอีกด้วยถ้าพระอุปชาและพระอาจารย์ของพวกผมไปพวกผมก็จะไปด้วยถ้าพระอุปชาและพระอาจารย์ของพวกผมไม่ไป พวกผมก็ไม่ไปท่านพระนน์ความที่พวกผมมีจิตใจโลเลจากปรากฏครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จจาริกไปยังทักคินาคิรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนน้อย